ดูกายดูใจมันทำงานไปมันจะดูเหมือนเห็นคนอื่นใ ช, ใช้จิตใจที่ธรรมดารู้ตัวสบายๆไม่ดีก็ได้ไม่ต้องดีตลอดเวลาเมื่อจิตมันร้ายขึ้นมามีกิเลสขึ้นมาเราคอยรู้ทันเอาแค่นั้นก็ใช้ได้ละถ้าเราพยายามจะดีตลอดจะรู้สึกตัวตลอดเลยนะมั น, นจะอึดอัดใจเคร่งเครียดไป พัดบ้างสิหลวงพ่อก็มีเหมือนกันชุดโยมอ่ะ น, นะยังไม่ร้อนเท่าชุดพระชุดพระเนี่ยหน้าร้อนนร้อนมากหน้าหนาวหนาท่านทำไว้พอดีๆกลางๆให้ใช้ชุดเดียวได้ทั้งปีงั้นพระตึงหน้ า, นาหนาวนะหนาหนาวเนี่หน้าร้อนก็ร้อนชีวัลเนี่ยจะใส่สบายที่สุดตอน เอาไปแขวนใส่ตู้อะไรเงี้ยเข้ากูตินะ้เกิดนะโอ้สบายพวกไม่เกิบวนไม่รู้หรอกหนักนะชุดพระเนี่ยหนักใครเคยถวายผ้าไตรบ้างหนักไหมชุดอย่างนั้นอะคิดดูนะถ้าไปไหนเราวต้องที่วันนั้นไปด้วยอย่างเงี้ยเนานะไม่ธรรมดานะตัวสังขติเนี่ยมันเป็นท่าสองชั้น จีวรเนี่ยหนึ่งชั้นจีวรกับสังฆติเนี่ยเหมือนกันเท่ากันเปียบเลยขนาดนะกว้างยาวเท่ากันแต่จีวรเนี่ยเป็นผ้าชั้นเดียวสังฆติเป็นผ้าสองชั้นทำไมต้องมีผ้าแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านเคยทดลองท่านนั่งอยู่กลางคืนพยายามที่หนึ่งแนละ้วหนาวใส่ผ้าหนึ่งชั้นได้ถึงยามที่สองหนาวอีกแล้วชั้นเดียวไม่อยู่ท่านทดลองใส่สองชั้นตอน ใกล้จะสว่างหนาวจัดโอซสามชั้นแล้วพอดีนี่ถ้าเอาสามชั้นนี้เย็บรวมกันไปเพราะมันก็จะร้อนใช่ไหถ้าด้แยกสองชิ้นชีวันที่จริงคือผ้าหม่มพ้าก็มีผ้านุ่งสบงมีผ้าหม่มพระไทยเราพยายามจะให้เหมือนพุทธการมากที่สุดวัดป่าะจะพยายามรักษากระทั่งผ้าย้อม ถ้าย้อมแก่นก็ดีนะที่ท่านรักษากันไว้แต่ว่าเหม็นมากเลยอาย้อมแก่นนะจริงเป็นผ้าที่ไม่เคยซักเลยทั้งชาติถึงเวลาย้อมทีหนึ่งก็เอาแก่นไม้ขนุนอะไรพวกนี้มาต้มแล้วผ้าลงไปชุบชบุชุบนิดหน่อยนะไม่ได้ชุบทั้งกระมังนะใช้นิดเดียวประหยัดจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เหม็น <laughs> <laughs> <laughs> เหม็นเปรี้ยวๆซักเอาไปซัก ผงักฟอกไม่ได้นะถ้าคือเอาผงซักฟอกไปใส่มันจะกระดํากระด่างไปหมดเลยมันจะลอกไม่เท่ากันทำไมต้องเอาต้นไม้ใบไม้ไมาย้อมผ้าเพราะสมัยน้นไม่มีสีเม่พระไปอยู่กับธรรมชาติยอมไปให้สีผ้าที่ใช้นี่มันไม่เหมือนชาวบ้านงั้นห้ามจีบอนที่สีที่ชาวบ้านใช้สีเขียวล้วนแดงล้วนเหลืองล้วนอะไรห้าม เป็นสีที่ชาวบ้านไม่ใช้ไม่ต้องไม่ให้เหมือนชาวบ้านเดี๋ยวชาวบ้านมาขโมยเอาไม่ต้องตัดเป็นชิ้นๆเอามาต่อกันใช้เศษผ้ามาเย็บเลยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาต่อกั น, <S <S นถ้าเป็นชิ้นใหญ่ก็คนก็มาขโมยอีกวัฒนธรรมเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอยู่อินเดียแต่งอย่างนั้นเหมาะอยู่เมืองไทยอย่างนี้เหมาะอยูเ่เมืองจีนอย่างน้นเหมาะไม่เป็นไรธรรมะอันเดียวกัน ธรรมะต้องรักษาไว้ให้เหมือนกันธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะไม่มีนิโกงนกายอะไรนะสมัยพระพุทธเจ้ายัางอยู่ไม่มีถ้าสอนใครเริ่อมสายศรัทธาเขาลงมือปฏิบัติได้ผลพ้นทุกข์ไปใครปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็ย้ายสํานักไปอยู่สํานักอื่นท่านก็ไม่ว่ามีนักคนพระที่บวชอยู่กับท่านศึกไปอยู่สํานักอื่นก็มีคนสํานักอื่นมาอยู่กับท่านก็มีเป็นเรื่องปกติ ความเป็นพุทธไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบว่าห่มผ้าอย่างพระไทยหรือใส่เสื้อผ้าอย่างพระจีนความเป็นพุทธะอยู่ที่จิตถ้าจิตเข้าใจอริยสัจจิตก็เป็นพุทธะถ้าจิตไม่เข้าใจอริยสัจจิตก็ไม่ได้เป็นพุทธะอาริยสัจส mm ี hmm. ่เป็นธรรมะที่ครอบคลุมธรรมะทั้งหมดเป็นตัวหลักถ้าปราศจากริยสัจสีก็คือปราศจากศาสนาพุทธ ยังมีคนถือศีลอยู่แต่ไม่มีใครรู้จักอริยสัจเลยก็ไม่ใช่พูดหรอกศีลมันมีมาก่อนพุทธเจ้าอีกมีคนทำสมาธิได้ไม่มีคนรู้จักอริยสัจก็ไม่ใช่พูดเองสมาธิมันก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้านี่พรุทธเจ้าท่านมา็นคนพบสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นท่านฝึกของท่านมาแล้วท่านใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้วนี่ยน้มน้อมไปเพื่อยานทศนะ คือเอาจิตที่รู้เนะื้อรู้ตัวเต็มที่แล้วเนี่ยมาดูความจริงของรูปนามกายใจงั้นไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกตัวอยู่เฉยๆในเมืองไทยเองนี่แหละสอนกันอย่างนี้ก็มีนะให้รู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรรู้ตัวอยู่เฉยๆครูเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นท่านบอกพอจิตตั้งมั่นนะอ่อนเบานุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานแล้วเนี่ยคือจินเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยให้น้อมน้อมจิตไปเพื่อยันทัศนะ ยานทัศนะคือปัญญาเห็นเห็นอย่างมีปัญญาเห็นอะไรอย่างมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ตามมองเห็นมาเห็นแมวอันนี้ไม่ได้เห็นด้วยปัญญาอันนี้เห็นด้วยตาถ้าเห็นด้วยปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงสิ่งที่เราเรียกว่าหมาว่าแมวว่าคนว่าสัตว์ว่าเราว่าเขาอะไรจริงๆเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปธรรม เรียกว่าเห็นด้วยปัญญารู้ตัวเฉยๆไม่ได้ต้องน้มน้อจิตไปเพื่ อ, อยานทัศะนะที่หลวงพ่อสอนมีปรัชนากรรมฐานเนละก็คือวิธีน้มนําจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะหนึง่งใช้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจยั้นถ้าใครมาสอนเรานะทําขยับมืออย่างนี้นะจิตคิดก็อย่าให้มันคิดตัดทิ้งไปแล้วรู้สึกอยู่เฉยๆมุ่งเอาความรู้สึกตัวเฉยๆ ไม่เกิดยานทัศน์อะไรทั้งสิ้นเลยหรือดูท้องพองดูท้องยุบเห็นในท้องใจสงบเป็นสมถะไม่มียานทัศนะยานทัศน์ต้อไปเห็นเห็นด้วยปัญญาปัญญาเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์สติเห็นอะไรสติเห็นสภาวะตาเห็นอะไรตาเห็นรูปรูปยังเป็นตาที่เห็นนะเห็นรูปรูปจริงๆ แต่พอเป็นรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปคนแก่รูปหมารูปแมวอันนี้เป็นสมมุติบัญญัติเป็นสิ่งที่จิตมันคิดขึ้นมาอาศัยความจำข้อตกลงคำว่าสมมตนะิสมมติมาจากคาว่าสังสอเสือนรกเหตุสังกัมมติสังตวร่วมมติร่วมมติร่วมว่าอย่างนี้เรียกว่าผู้หญิงอย่างนี้เรียกว่าผู้ชายเป็นมติร่วมของสังคม ไม่ใช่สภาวะที่แท้จริงเรามีสติเพื่อเห็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมของตัวรูปที่แท้ก็ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมตั้งอยู่ในอากาศสุธาตุในช่องว่างนะสภาวะธรรมจริงๆของจิตนะก็มีจิตที่เป็นตัวรู้ก็มีสภาวะที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกได้แก่ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความจําได้หมายรู้ ความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดร่วมกับจิตเฉะนั้นจิตโดยตัวของมันเองนะเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วจิตจะดีหรือชั่วเพราะสิ่งที่มาประกอบกับจิตเข้ามาทีหลังสิ่งที่เติมเข้ามาในจิตอย่างโทสะเกิดขึ้นมามีโทสะเติมเข้ามาจิตที่เป็นตัวรู้นั้นก็แปลสภาพเป็นจิตที่มีโทสะเนี่ยเฉะั้นตัวจิตเองเป็นตัวกลางๆนะ ไม่ icana, จัดว่าเป็นตัวดีหรือตัวชั่วแต่มันจะดีหรือมันจะชั่วเพราะสิ get get it ่งที่มาผสมเข้ามาหรือมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เนี่ยตัวมันไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์อะไรมันสุขมันทุกข์ขึ้นมาเพราะความรู้สึกเข้ามาปนความรู้สึกสุขเกิดขึ้นก็รู้สึกจิตเราสุขความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นก็ว่าจิตเราทุกข์ เราค่อยดูสติจะเป็นตัวรู้สภาวะนะรู้ถึงถ้าสภาวะของรูปนียงรูปที่ตามมองเห็นนี่เป็นสภาวะเสียงที่หูได้ยินนี่เป็นสภาวะคนไทยหรือคนจีนเนี่ยได้ยินเสียงอะไรอย่างนึงก็ได้ยินอย่างเดียวกันเสียงมันเป็นสภาวะของมันเนีส่วนจะแปลเสียงนี้แปลว่าอย่างนี้แปลว่างี้อันนี้สมมุติแต่และคนแปลไม่เหมือนกันแต่และพวกไม่เหมือนกันสติเป็นตัวรู้สภาวะนะปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ สองสภาวะทั้งหลายถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วการพานาในขั้นเจริญปัญญาไม่ใช่ยากอะไรมีใจเป็นคนดูดูอะไรดูรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูดูนำมาทำทั้งหลายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรูปธปรรมนี่รูปนี้มันนั่งขยับอย่างนี้มีความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าไอ้ตัวที่ขยับนี้มันไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่คิดนะมันรู้สึกเอารู้สึกเอา รู้สึกเอาตัวนี้จริงๆเร้ยว่าสัญญาสัญญาการหมายรู้หมายรู้โดยความไม่ใช่ตัวใช่ตนเรื่องอนัตตสัญญาในเวลาทํำวิปัสสนากรรมฐานต้องอาศัยสัญญาถ้าปราศจากสัญญาทํำวิปัสสนาไม่ได้มีสติมีสตินะไปรู้สภาวะเช่นเห็นสภาวะหนึ่งปุดขึ้นมานี่มีใจตั้งมั่นคือมีสมาธิ มีสัญญาหมายรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่บางคนสัญญาไม่ยอมทำงานเพราะเคยชินที่จะมีสัญญาบิปาลาชสัญญาวิดาลาชคือมันคุ้นเคยที่จะเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามคุ้นเคยที่จะเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงคุ้นเคยที่จะเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมันคุ้นเคยที่จะเห็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตน เรียกวาสัญญาวิปราตบุตุชนทุกคนจะมีสัญญาวิปราตบุตนะุชนจะมีสัญญาวิปราตแเราก็ต้องภาวนานะแล้วก็มีสติรู้กายรู้ใจไปรู้สภาวะที่ปรากฏทั้งรูปธรรมนามธรรมาสภาวะอะไรปรากฏก็มีสติรู้รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่ไหลเข้าไปในสภาวะไม่หลงไปคิดเรื่องอื่นนะแล้วก็มีสัญญามีมุมมองของจิตจิตมารู้จักมองไตรลัก ถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็ปัญญามันจะเกิดถ้ามีสติรู้รูปนามอยู่เฉยๆปัญญามไม่เกิดถ้ามีสติรู้รูปนามแล้วจิตไหลเข้าไปอยู่ในรูปนามด้วยไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดมีสมาธิตั้งมั่นเด่นดวงรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่มีการหมายรู้สภาวะว่าเป็นไตรลักษณ์ปัญญาก็ไม่เกิดฟังแล้วยากนะแต่ไม่ยากหรอกง่ายๆแค่ ถ้าคนไหนขี้โมโหก็แค่ว่าใจมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธก็เห็นในความโกรธมันอยู่ล็อมันดับโกรธล็อก็ดับโกรธล็อก็ดับคนไหนขี้โลบก็เห็นเดี๋ยวก็โลบเ ด, ลเดี๋ยวก็อยากอยากนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเดี๋ยวอยากอีกเนี่ยดูงี้ดูง่ายๆไม่มีอะไรไม่ยากอะไรหรอกโกรธเป็นทุกคนใช่ไหมคนจี น, กนโกรธเป็นไหมโลภเป็นไหมโลบกลัวเป็นไหมอิจฉาเป็นไหมมีไหมคนจีนอิจฉามีไหม คนไทยขี้ฉาเยอะนะที่จริงคนไทยที่ขี้ฉาก็ไม่ได้แปลกอะไรคนไหนก็ขี้ฉาเรารู้จักสภาาะทั้งหลายนะโลภเราก็รู้จักโกรธเราก็รู้จักกลัวเราก็รู้จักอิจฉาเราก็รู้จักกลุ่มใจกังวลดีใจเสียใจอะไรเงี้ยรู้จักทั้งนั้นเลยการปฏิบัติก็ไม่มีอะไร ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันเท่านั้นเองรู้ว่ามีความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นให้ความรู้สึกมันเกิดไปอย่าไปห้ามมันนี่บางคนที่ติดเพ่งอ่ะติดเพ่งเนี่ยคนมาด่าก็เฉยแต่อย่าหลุดจากตรงนี้นะถ้าหลุดจากนี้ตดเต่เลย เ, ออเพราะจะโมโหร้ายกว่าคนปกตินะเพราะถ้าติดเพ่งอยู่นะควรจะรอบพอมีโลภควรจะโกรธก็ไม่โกรธแล้วบอกว่าดีที่จริงผิดธรรมดานะ งั้นอย่าไปติดเพ่งทําใจนิ่งๆไม่เกิดปัญญาแล้วถ้าใจฟุ้งซ่านโลบอยู่ก็ไม่รู้โกโรธอยู่ก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้สุขอยู่ก็ไม่รู้ทุกข์อยู่ก็ไม่รู้นี่ไปพอหนาได้ไงงั้นถ้าเราไม่เผลอลืมเนื้อลื ม, ลมตัวนะแล้วก็ไม่ไปเพ่งเอาไวนะ้น่ะแค่นี้มันก็ดูไปเรื่อยๆปัญญามันก็เกิดแล้วง่ายๆเอายิ้มหวานเห็นร่างกายยิ้มบางคนซ้อมมาดีรู้ว่าหลวงพ่อจะชอบให้ยิ้มซ้มยิ้ม ยิ้มเก่งมากเลยจิตเหมือนเดิมเปี๊ยบเลยเนี้ยนะจิตไม่กระดิกเลยอย่างนี้รู้สึกไหมจิตมันเคลื่อนไหวเรารู้ทันมันเคลื่อนไหวรู้นะไม่ใช่เรื่องยากอะไรของง่ายๆคนด่าแล้วโกรธรู้ว่าโกรธไม่ใช่คนด่าก็อย่าไปโกรธเขาเลยความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีอันนั้นเป็นสมถะนะเพื่อแก้ไม่ให้โกรธ ถ้ามีการแก้ไขแล้วก็ไม่ใช่วิปัสนามีวิปัสนารู้อย่างที่เป็นถ้าแก้ไขถ้าเข้าไปแทรกแซงไม่ใช่วิปัสนาอย่างดีที่สุดเป็นสมถากรรมฐานก็พยายามปฏิบัติค่ะเออพยายามไปความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่น <c oughs> หัวละอยู่เห็นไหม <c oughs> หัวละอยู่เห็นร่างกายหัวละหม <c oughs> เนี่ยเห็นร่างกายพยยหน้าเห็นร่างกายหัวละ นี่ปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ใช่ทำอะไรที่เกินมนุษย์ปกติหรอกทำสิ่งที่มนุษย์ปกติเขาทำนั่นแหละแต่มีสติมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูรู้จักมองความเป็นใจลักแค่คนั้นเองง่ายๆ่ายไปหัดเอานะเอาให้คนจีนก่อนจะกลับบ้านแล้วมากไกลามากเคยท่านบอว่าท่าน มีมีวันหนึ่งมีสงโยมสงคนบอกท่านว่าทำไมท่านนอนตลอดหลับตลอดอทำมาว่าท่านน่าจะท่านภาวนาไม่เป็นก่อนคือเคยมีผ้าผ้าใหญ่ที่ท่านมหายานบอกว่าท่านต้องไปท่องคาถาครับแต่พอดีวันนั้นมีโยมบอกท่านออนอนตลอด คือ ท, ท่านบอกว่าท้านต่วันนั้นมาท่านจะนอนไม่หลับเลยแล้วท่องคาถาไม่เป็นนะท่านอยากจะทราบว่าอันนี้พราะท่านภาวนาผิดหรือเปล่าครับเจ้าทำใจให้มันอยู่กับตัวเองสบา ย, บา ย, บายจะท่องคาถาก็ได้แต่ท่องยาวไม่ได้ก็ท่องสั้นๆแค่พุทโธตัวเดียวก็ยังได้พุทโธพุทโธแล้วค่อยรู้ทันจิตเวลามันหลงไปคิด ฝึกตัวนี้ให้มากเลยนะนิดเดียวแค่นี้ก็พอละพอจิตใจมันมีแรงตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันจะภาวนาต่อได้ถ้าใจมันฟุง้งมันจะไม่มีแรงคือท่านท่านท่านถามเวลาท่องคาถาความคิดยังไม่เกิดขึ้นมีช่วงว่างท่านถามว่าว่างเป็น เป็นแบบจริงๆผมแปลไม่ออกขปนพ่อคืออันนี้เป็นเป็นเหมือนจะเป็นภาวนาที่รับตับสง์มาท่านถามว่านี้ใช่ไหมครับเป็นความว่างเป็นอาจจะลักษณะ ม, ามาหาสุญญาตาไม่ใช่เป็นแค่ช่องว่างที่มาคั้นระ้ว่างความวุ่นวายหลายๆอันนะตัวนั้นไม่ใช่มหาสุญญาตานะมหาสุญญาตาเนี่มีอยู่เนี่ยแต่ว่าง ไม่ใช่ว่าต้องว่างๆแบบไม่มีอะไรเลยไม่เหมือนกันหอกมหาสุญญตาจริงๆนถ้าจิตเราเป็นธรรมธาตุแล้วจิตเข้าเป็นธรรมแล้วจิตปล่อยวางจิตได้แล้วเราถึงจะเห็นมหาสุญญตาถ้าจิตยังยึดถือจิตอยู่ยังไม่เห็นมหาสุญญตาจะเห็นแต่ความว่างความว่างตัวเนี้ยถ้าภาษาไทยมันมีนะอากาศสเป ช, ช่องว่างต้องพูดหลายภาษาเลย <laughs> มันไม่ใช่ตัวสุญญตาสุญญตาเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่นั่งกันอยู่เต็มเนี่ย <c oughs> ก็ว่างนะมันว่างจากความเป็นตัวเป็นตนว่างจากความปรุงแต่งว่างจากกิเลสว่างจากทุกเนวะ่างจากความยึดถือว่างจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเลยนะแต่ไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ไม่มนะทีท่านถามว่าก่อนท่านเป็นเนน ท่านนั่นสมาธิอยู่ใจจะไปข้างนอกเห็นเห็นเห็นข้างนอกทั้งหมดเวลาเขาท่านกลับมาจะเห็นตัวเองจริงๆกําลังนั่งอยู่ท่านอยากจะถามว่าพาละถูกไหมครับภาวนาตรงที่ถูกคือเห็นว่าตัวเองกําลังนั่งอยูนะ่อยู่กับปัจจุบันจริงๆตอนหลวงพ่ออายุ7จ็ขวบนั่งสมาธิแล้วก็ใจเขาไปดูข้างนอกนะแล้วก็เพราะว่ามันไม่เห็นจะช่วยอะไรให้เราดีขึ้นเลยมันก็เหมือนเราไปดูโทรทัศน์น<ๆ>ีก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร แต่เร า, าคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายนี้เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวเรามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอย่างนี้ยังได้ประโยชน์นะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะปล่อยมันจะไม่ยึดถือในกายในใจนี้มันจะสัมผัสสุญญตาจะสัมผัสสุญญตาทั้งเต็มอยู่ในโลก regret, หรือแล้วไม่เคยว้าแว่งไปเลย ท่านอยาจะถามว่าเวลาก็เพราะท่านใจจะฟุ้งเวลากรรมารู้สตัวใจจะอยู่กับโลมหายใจท่านจะเห็นมาที่นี่จะเริ่มเห็นกิเลสอยู่ในใจตัวงมีโลภาโทสะโมหะมีอัตตาตัวตนดีดคือภาวนาแล้วถ้าเห็นกิเลสในใจเราได้นะดีที่สุดเลยเมื่อวันหนึ่งเราถึงจะพ้นจากมันได้แต่ว่าอย่าไปเกลียดมันนะ แค่เห็นว่ามันมีอยู่เห็นว่ามันมาแล้วมันก็ไปดูได้ใจที่เป็นกลางให้ให้รู้ตัวสบายๆแล้วใช้ใจที่สบายใจที่เป็นธรรมดาที่สุดเลยแล้วก็พอใจเป็นธรรมดาสบายๆนะเห็นร่างกายมันทํางานเห็นร่างกายมันตนมือเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆหรือมีความรู้สึกเห็นกิเลสเกิดขึ้นมาใจเป็นคนดูสบายๆดูไม่ใช่เพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบนะ ไปดูเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เราเหรอกทุกอย่างมันมาแล้วมันก็ไปท่านอยากจะถามว่าเวลาอยู่ในชีวิตประจําวันจะเห็นเห็นความคิดจะง่ายกว่าแต่อยู่คนเดียวทําไม่ค่อยเห็นอะไรครับท่านอยากจะถามอยู่คนเดียวก็นั่งหายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปแต่ว่าเวลาอยู่ในชีวิตจริงๆนะมันกระทบอารมณ์เยอะมันเกิดความรู้สึกมันดูง่าย แต่ถ้านั่งอยู่คนเดียวแล้วมันเฉยๆสบายๆเฉ ย, ยๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูรู้สึกตัวไปสบายๆเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมหายใจนะให้รู้ตัวที่มันเห็นทั้งตัวเนี่ยมันหายใจเขาเขาอยากจะรู้ว่าคือมาทีนี่ครูบาจะแน่เดจิตที่ตั้มมั่งแล้วต้องหาคนหาที่อยู่ให้จิตเขาบอกว่าเขาจะ คืออย่าไปหาที่ตั้งมันไว้นะจิตตั้งมั่นมันตั้งเป็นคราวๆตั้งแล้วก็หลงไปเรารู้ทันมันก็ตั้งขึ้นมาเดี๋ยวก็หลงอีกอย่าไปตั้งเอาไว้ตลอดเวลาไม่ต้องไปหาที่ตั้งให้มัน คือเขาบอกว่าเวลานั่ง น, น, นสมาธิเขาจะ อ, ะอยู่กับบัจจุบันแล้วจะมีสภาวะเกิดขึ้นเยอะมากมายแต่เขาจ ะ, ะรู้สึกรู้สึกชัดแล้วจะเห็นเห็นเห็นจริงๆรรู้กับ ถ, กถูกรู้เป็นเรื่อเดียวกันคือเขาจะเขาจะว่าไม่มีไม่มีเราไม่มีเขาคือเขาเขาจะว่าเขาเขาจะ อ, อนัตตาครับ แล้วเขาจะเห็นทุกอย่างแม่เห็นเกิดตับแต่เขาเห็นแต่ตับดับดับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับเห็นแต่ตับดับก็ใช้ได้นะไม่เห็นอ น, นิจจังก็ได้เห็นแต่อนัตตาก็ได้เขาอยากจะรู้ว่าคือเขาเ เป็นคนขี้โมโหคือคราวนี้จะมีคนแม่ไปเทศให้พวกเราฟังเขารู้สะว่าเขาอยากจะทราบว่าทํำยังไงจะเหมือนคนแม่ครับต้องไปถามคุณแม่สิคุณแม่เนี่ยนะเป็นคนที่มองคนอื่นแล้วเห็นใจอ่ะเห็นว่าคนอื่นเขาก็มีความทุกข์อะไรอย่างเนี้ย ก็มีใจเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าจะต้องไม่ทําให้คนอื่นมีความทุกขนะ์เนี่ยใจจะเป็นอย่างนั้นนะงั้นเวลาเรามองคนอื่นเนี่ยเรามองด้วยความรู้สึกเข้าใจเขาเห็นใจเขาสงสารเขาอะไรเนะี่ยเราก็ตั้งใจไว้เลยเราจะไม่ไปเพิ่มความทุกข์ให้เขาถ้าวางใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจมันจะมีเมตตาเยอะนะคือเขาถามว่าอยู่ที่บ้านเขาจะดูทงพงยุบ แต่มาที่แต่ก่อนอยู่ที่บ้านไม่ค่อยซึมซึมแต่มาที่นี่ดูเหมือนกันแต่จะซึมซืมเขาอยากจะทราบว่าเพราะอะไรครับอะไรซึมนะคือเวลาดูทองทงพงยุบแล้วก่อนอยู่ที่บ้านจะไม่ซึมซึมแต่มาที่นี่จะซึมซึมเขาอยากจะทราบว่าเพราะอะไรครับพยายามหายใจไว้หายใจถ้าใจมันได้กระทบอารมณ์เรื่อยๆนี่มันจะไม่ซึม ถ้าเราไปดูท้องพายุบนะแล้วใจเราน้อมไปนิ่งอยู่เดี๋ยวก็ซึมคนที่ภาวนาแล้วใจมันไปไหลไปนิ่งอยู่ที่อารมณ์เนี่ยมันซึมทุกไลน์แล้วงั้นเราพยายามรู้สึกพยายามรู้สึกนะอย่าให้มันซึมหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่าให้ใจมันไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วใจมันไหลไปที่ท้องนั่นเดี๋ยวมันก็ซึมไปหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกจะไม่ซึมหรอก เขาอยากจะคือเขาบอกว่าจะได้เวลาจะกลับไปประเทศจีนนะเขาอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับคือคอยรู้ทันใจของเราไว้นะใจเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายเราคอยรู้ใจของเราไปรู้แบบไม่เข้าไปบังคับมันไม่เข้าไปแทรกแซงมันถ้าคอยรู้เท่าทันใจของเราได้บ่อยๆมันก็จะพัฒนาของมันเองเขออ้าพเจ้าเขาเไม่เป็นครับ รู้จักความรู้สึกั้มโกรธเป็นไหมโลภเป็นมยหมก็เป็นหมดอ่ะตอนนี้ก็แค่กูแค่รู้ทันความรู้สึกของตัวเองได้เอยยังมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี่ยกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆไปไม่ต้องคิดเรื่องภาวนามากหรอกรู้ทันความรู้สึกของตัวเองได้ก็พอแล้ว เขาอยากจะทราบว่าคื อ, อยู่ที่ประเทศจีนคนคนอื่นบอกว่าเวลาภาวนาแก้ปัญหาทางจิตหรือว่าโรคจิตไม่ได้เขาอยากจะถามว่าภาวนาแก้ได้ไหมครับโรคจิตมีหลายแบบนะถ้ามันเกิดจากร่างกายเช่นสมองผิดปกติเงี้ยแก้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดจากปัญหาทางจิตใจเช่นจิตใจเครียดอะไรเงี้ยภาวนาแล้วมันไม่เครียดมันก็แก้ได้มันไม่ได้คนบ้าไม่ได้มีแบบเดียว มีหลายแบบงันถ้ามันเป็นทางร่างกายเนะี่ยแก้ไม่ได้ต้องให้หมอรักษาแต่ถ้าเป็นทางใจนะหมอรักษาก็ไม่ได้หรอกต้องรักษาใจของตัวเองไม่น่าจะกลัวบ้านนะหน้าตามไม่บ้าง่ายอ่ะแต่กลัวตัวขี้โมโหดีกว่านะกลัวตัวขี้โมโหดีกว่าถ้าโกรธขึ้นมาคอยรู้โกรธขึ้นมาคอยรู้ใจจะได้ไม่เครียดนะ บางคนเห็นหน้าก็ใกล้บ้าแล้วบางคนชาตินี้โอกาสบ้ายาก <laughs> หน้าเป็นเ ข, เขาเขาบอกว่าคือเมื่อวานเจอคุณแม่เขาเห็นใจเปิดปานครับพ <c oughs> ันธีเห็น เ, <c oughs> เห็นความคนที่มีทุกข์ ใจเขาจะทุกข์ด้วย เ, ออเวลาเห็นคนที่เขาไม่ชอบทําความดีเขาก็จะ อ, อ, อนุโมทนาโดยปากเฉยๆเขาอยากจะทราบว่าดูแบบนี้ถูกไหมครับถูกใจของเราเป็นยังไงนะรู้อย่างนั้นเลยถูกอย่างสช่นว่าเราเกลียดคนนี้นะแต่เราพูดกับเขาดีๆเรารู้ว่าใจเราเกลียดอย่างนี้ใช้ไดนะ้ให้รู้ทันใจของเราไป หรืออย่างเวลาเราไปคุยกับคนนี้เราม um ีความสุขเรารู้คุยกับคนนี้เรารําคาเรารู้ให้ดูของเราเองนี่แหละเขาเป็นคนเก่าคือปีที่แล้วเคยมากัญญาเขาคอร์สเขาอยากจะเขาบอกว่าเขาไปดูไกลเครื่องไหวทางกายกับทางจิตเขาเริ่มเข้าใจร่างกายแค่เป็นธาตุ แล้วจิตใจเป็น แ, แค่เป็นธาตุรู้เขาแต่บังทีเขาก็ยังเห็นใจหายไปอยู่ยังมีกิเลสเกิดขึ้นเขาอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับทําถูกแล้วนะเราฝึกเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่าห้ามไม่ให้กิเลสเกิดหรอกกิเลสมันก็เกิดของมันได้เองแต่ว่ากิเลสเกิดแล้วก็รู้ทันมันมันก็ครอบงาใจเราไม่ได้ก็แค่นั้นเองไม่ได้ฝึกถึงขนาดนะห้ามมันเกิดนะแต่ว่าภาวนาไปเรื่อยๆต่อไปมันไม่เกิดเองเลย เอาหมดละต่อไปมีเวลานิดหนึ่งคนไทยนี่มันก็เป็นการแบ่งนะก็คือการให้เราให้โอากาสเขาอย่างคนจีนคนอะไรมาที่เนี่หลวงพ่อไม่เคยได้ตังค์สักบาทหนึ่งเลยนะไ ม, ไม่ได้อะไรเลยแต่เราสอนให้ถ้าทํำยังไงให้ธรรมานี้แพร่ออกไปได้มันจะทําให้คนได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเพราะคนไหนมีจิตใจมีธรรมะแล้วน่าจะมีความสุขมากเลย แล้วมันจะไม่ไปข่มเพ่งรางแก่คนอื่นนรอกมันจะมีแต่ความเมตตาคนอื่นด้วยอยากให้เขามีความสุขด้วยเราค่อยๆฝึกของเราไปนะมาเรียนกับหลวงพ่อแล้วเนี่ยภาวนาไปต่อไปพอรู้เรื่องแล้วพอภาวนาเป็นนะเราเห็นเลยว่าตัวเราดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็บอกต่อคนไหนที่ควรจะรู้ได้เราก็บอกเขาคนไหนเขาไม่เอาเราก็เฉยๆไม่ต้องไปเชี่ยวเข็นเขาไปบังคับเขามากเดี๋ยวเขาจะเอาเรื่องเราเนาะ กับนักมัธยงานหลวงพ่อครับพเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะครับแล้วก็ระหว่างที่กําหนดกายดูกายเนี่ยมันเริ่มเห็นตรงกลางหน้าอกเนี่ยก็มีสภาวะมันมันเริ่มจากหมุนหมุนนั่นแหละนะคับว่าจิตเทนั้นนั่นคือสภาวะจิตหรือเปล่าอันั้นเป็นสภาวะที่สังขารมันปรุงแต่งนะจิตเป็นคนไปรู้มันเข้าแล้ตรงนั้นหมุนหมุนหมุนนะเดี๋ยวก็เบี่ยงความสุขขึ้นมาเดี๋ยวก็เบี่ยงความทุกข์เดี๋ยวเขโลภโกรธหลงเขปุตโตนี้แหละ แล้วบางขณะขณะลืมตาเรายังรู้สึกว่ารู้สึกรู้รสึกได้นะแล้วต้องปฏิบัติยังไงต่อรู้มันด้วยความเป็นกลางนะถ้าไปจะเห็นแต่ทุกจะเห็นทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วจะกลายเป็นทุกข์ล้วนๆเลยนะถ้ามันทุกข์แล้วเราเหนื่อยก็ต้องทาสมถะทาสมถะแล้วก็กลับไปเห็นมันทํางานต่อไป <ทำ S 2> เว<ม>ลามันถล่มนะถล่มทลายโลตรงนี้แหละวัตฏะทลายโลตรงนี่เองคําว่าวัตฏะคือคําว่าหมุนน่ะรู้สึกไหมนั่นแหละหมุนอยู่นั่นน่ะ มรสการครับหลวงพ่อครับตอนนั้นหลวงพ่อบอกให้ไปดูกายตะก่อนมันรู้สึกจะปิดว่างๆพอมาดูกายทีนี้มันพุกมากก็เลยเวลาทําสมาธิเออถูกทีนี้มันเย็นครับกราพักทําสมาธิแล้วก็ออกมาดูอีกทีนี้มันมีปิติเย็นกับปิติสุขเอออย่าให้อย่าไปติดมันเย็นก็ได้สุขก็ได้แต่อย่าให้มันครอบงําใจนะ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ให้ครอบงำใจสักอย่างเดียวเลยแ ล, แล้วทำยังไงต่อไปครับทำอย่างนี้แหละดูกายไปนะถ้าใจฟุ้งซ่านก็ทาความสงบพอสงบแล้วมีปิติมีความสุขรู้ว่ามีปิติมีความสุขมีปิ ต, ปติแล้วมีความสุขแล้วชอบรู้ว่าชอบก็จะดูกายดูใจดูความรู้สึกไปด้วยใจที่ไม่ถูกครอบงาขอบพระคุณครับกลับบ้านได้